สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อคิดระเยซู65โปรงทรงรักษาคนผีเข้านะครับเปเยซูทรงรักษาคนที่มีผีโศกโคโคเข้าสิงเพราะฉนัพระเจ้าในวันนี้นะครับ <c oughs> อยู่ในพระธรรมมารโกบทที่หนึ่งข้อที่21ครับเราจะอ่านจนถึงข้อที่28พระองค์กับพวกของโปร่งจึงเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุมพอถึงวันสะบาโตโปร่งได้เสด็จเข้ามาในธรรมศาลาเทศนาสัง่งสอน สอหลายก็อัศจรรย์ใจด้วยการสอนของโปรงเพราะว่าโปรงได้ส่งสั่งสอนเขาด้วยสิเทียมนาคหาเหมือนพวกธรรมาการไม่ในทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งในธรรมศารลาของเขามีผีโศกโคกเข้าสิงมันร้องอึ้งว่าพระเยซูชาวนาซีธท่านมายุ่งกับเราทําไมท่านมาทําลายพวกเราหรือเรารู้ว่าท่านเป็นใครท่านคือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูจึงตรัสห้ามมันว่าจงนิ่งเสียออกมาจากเขาสิ แต่เมื่อผีโสโคกทำให้คนนั้นชักและร้องเสียงดังแล้วมันก็ออกมาจากเขาคนทั้งปวงก็ประหลัดใจนักจึงถามกันว่าการนี้เป็นอย่างไรหนอเป็นคำสอนใหม่แน่ทั้งสั่งผีโสโคกด้วยสิทธิอมนาจและมันจำต้องฟังในขณะนั้นเกิดกิตติศัพท์ของพระองค์ได้เลื่องลือไปทั่วแคว้นกาลิลีพี่นครับหลังจากที่พระเยซูได้ทรงเรียกชาวประมงสี่คนมาเป็นสาวกแล้วนะครับ รวมทั้งพระเยซูด้วยก็ห้าคนนะครับกลุ่มกลุ่มนี้ได้เดินทางไปทั่วแคนกดาลีลีพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าพั้งทีตอนนี้บรรยายถึงเรื่องของการรักษาคนที่มีผีโศโคกเข้าสิงพี่น้องครับในบทเรียนวันนี้นั้นเราจะเรียนรู้ว่าพระเยซูนั้นทรงห่วงใยผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยครับไม่ว่าเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยด้านร่างกายก็ดีอารมณ์ความรู้สึกจิตใจก็ดี และจิตวิญญาณก็ดีเีนี้นะคับพเพียร์ซูทรงห่วงใยสภาพจิตวิญญาณของเราอารมณ์ของเราร่างกายของเรานะครับเรามีความต้องการในด้านาต่างๆในชีวิตพเพียร์ซูทรงทราบและทรงห่วงใยแน่นอนนะครับในวันนี้เราจะพบว่าพระเยซูเสด็จไปยังธรรมศาลาเป็นวันสะบาโตครับเพื่อนมรสกของพระเจ้ามาระโกมักจะเน้นการสอนของพระเยซูเสมอครับส่วนลูกาก็จะเน้น ถึงเรื่องที่เป็นรายละเอียดเพราะเนื่องจากลูกานั้นเป็นแพทย์ครับเขาได้สืบเสาะอย่างท้่นทีถึงเรื่องราวต่างๆของพระเยซูไม่ว่าจะเป็นคําสอนก็ดีการทำอัศจรรย์ของพระเยซูก็ดีการรักษาโรคต่างๆก็ดีพี่น้องครับเวลาที่พระเยซูสอนนะครับพระเยซูสอนด้วยความรู้แจ้งพระองค์ทรงสอนจากความสัพพันญูของรองค์พระองค์ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างครับ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในอดีตในปัจจุบันและอนาคตนับเป็นประสบการณ์ที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งนะครับที่ได้ฟังคําสอนของผู้รอบรู้ทุกอย่างพี่น้องครับเรามีพระวจนะของพระเจ้ามีพระฤทสิ์จำริมีแน่นอนครับคําสอนของพระเยซูก็ตกทอดมาถึงพวกเราพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าครับพระองค์ทรงสัพพันยอยู่ดังนั้นคําสอนของพระองค์ก็ดีกว่านะครับครูทั้งหลายดีกว่าอาจารย์ทั้งหลายเราจึงเรียกพระเยซูว่าเป็นบรมครู นะครับเป็นบรมครูพี่น้องครับให้เราดูต่อไปนะครับเราเห็นว่าในพันธสัญญาใหม่นคร่าว่าถึงผีครับผีโสโครผีเป็นวิญญาณชั่วนะครับและชายที่อยู่ในธรรมศาลานั้นมีผีโสโครเข้าสิงได้นะครับเราเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตเพราะเหตุว่าผีโสโครเข้าไปสิงอยู่ในคนในธรมารมศาลา นะครับและในวันสบายโตด้วยแสดงว่ามันมีอํานาจนะครับค่อนข้างอยู่พอสมควรที่นี่ที่นี่เราเห็นว่านอกจากผีนั้นเป็นมีนยันชั่วมันมีอำนาจอยู่นะครับมันก็ยังมีสติปัญญาเหนือกว่ามนุษย์และแขมยังรู้จักพระเยซูว่าพระองค์เป็นใครด้วยและผีนั้นก็ต้องยอมเชื่อฝังพระองค์เมื่อพระองค์ตรัสด้วยสิทธิอำนาจผีนั้นยังมีกําลังมหาศาล ทำให้คนที่มันสิงอยู่พลอยมีกําลังวันชาผิดปกติผิดธรรมดาหลายหลยครั้งนะครับผีก็ทําให้คนคุ้มครั่งนะครับและที่คนพิการไม่สมประกอบผีนะครับอยู่ภายใต้กา ร, รบังคับบัญชาของซาตานครับพี่น้องครับวัตถุประสงค์หลักนะครับของพวกผีก็คือต่อต้านเท่ประสงค์ของพระเจ้านะครับมาซาตานมันมาเพื่อที่ลักขโมยลักนะครับฆ่าและทํำลายเสีย เพ้นในพระเจนะของพระเจ้านะครับเราเห็นว่าคนที่ถูกมาเบียดเบียนเนี่ยครับก็อาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราทุกทายจะต้องเรียนรู้ในเช้าวันนี้นะครับเมื่อหลายครั้งทีเดียวนะครับเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าถามพระองค์ว่าทรงมีพ้อประสงค์อะไรในการเจ็บไข้ได้ป่วยครั้งนี้ทรงทรงต้องการสอนบทเรียนอะไรในชีวิตของเราในการเก็บป่วยครั้งนี้นะครับ แต่หลายใครั้งทีเดียวครับความเจ็บป่วยนั้นอาจจะเกิดกับบางคนหรือคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับวิญญาณชั่วทั้งหลายและชีวิตของเขานั้นก็ถูกมารเบียดเบีย น, นครับพี่น้องครับให้สังเกต ด, ดูครับในรรท่ามภีได้กล่าวว่าวิญญาณชั่วนะครับหลังจากที่เขาพบพระเยซูเขาร้องว่าให้ให้พระเยซูชาวนาซาเลสท่านมายุ่งกับเราทําไมท่านมาทําลายพวกเราหรือเรารู้ว่าท่านเป็นใครท่านคือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้า พระเจ้าพระเจ้านะครับได้บันทึกถึงพระเยซูตรัสห้ามบินยานชัวว่วบอกว่าจงนิ่งเสียแล้วออกมาจากเขานะครับข้ามผีก็บันทึกต่อไปว่าผีนั้นก็เชื่อฟังครับผีโซโก้ก่อนที่จะออกนะครับก็ทําให้คนนั้นชักนะครับแล้วก็ออกมาผีทําให้เขาล้มลงชักแล้วก็ออกมาผีนั้นครับลูการ์นั้นเป็นหมอครับเขาเพิ่มเติมรายละเอียดว่าผีนั้นไม่ได้ทําอันต ร, รายคนนั้นเลย แล้วก็เราก็รู้นะครับว่านี่คือการอรัศจรรย์ของพระเยซูที่มีอำนาจเหนือผีร้ายพี่น้องครับจากเหตุการณ์นี้เราจะเห็นว่าคนทั้งวงในธรรมศาลานั้นก็ประหลาดใจมากและถามกันว่าการนี้จะเป็นยังไงต่อไปหนอเป็นคำสั่งสอนใหม่แน่ท่านสั่งผีโซ โ, โ ค, คด้วยสี่อำนาจและมันจำต้องฟังพี่น้องครับข่าวนี้ก็เรื่องลือไปดูกาบันทึกว่า อิทิศัพท์ของพระเยซูก็ได้เลื่องลือไปทั่วทุกตำบลที่อยู่ยอรอบนั้นทําให้พระเยซูตอนนี้นะครับก็มีงานมากขึ้นในการต้องรักษาคนป่วยแถมยังต้องขับผีด้วยพี่น้องครับในวันนี้นะครับเราจะเห็นถึงคําสอนนะครับว่าพระเยซูทรงห่วงใยคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าทางด้านร่างกายก็ดีอารมณ์ก็ดีความรู้สึกก็ดีความคิดก็ดีและรวมทั้งจิตวิญ ญ, ญาณของมนุษย์ก็ดี เรื่องผีเข้านั้นไม่ได้จํากัดอยู่ในพระกมพีใหม่เท่านั้นนะครับซาตานและวิญญาณชั่ววิญญาณชั่วซึ่งเป็นสมุนของซาตานนั้นยังคงทํางานหนักอยู่ทั่วโลกทุกวันนี้พยายามครอบงําชีวิตมนุษย์นะครับไม่ยังเป็นเสมอไปว่าทุกคนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของมารซาตานนั้นต้องมีอาการถูกผีเข้านะครับคืออาจจะเป็นผีเข้าเป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรงเป็นในการสั่นเปนในการเปลี่ยนเสียงอะไรต่างๆนะครับ สิ่งนี้ก็คืออาการของพวกผีเข้าแต่ว่าไม่ยังเป็นนะครับที่ทุกคนอยู่ภายใต้อิทธิพลของซาตานแล้วจะมีอาการถูกผีเข้านะครับแต่ว่าผีสามารถที่จะครอบงําจิตใจนะครับทรงอิทธิพลนะครับเข้าไปอยู่ในชีวิตในความคิดของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราตกเป็นทาสของอิทธิพลบางสิ่งบางอย่างเช่นยาเสพติดก็ดีสุรามีอะไรก็ดีการพนันการล่้น บ, บร์เบรีอารมณ์ร้าย หรือนิสัยไม่ดีต่างๆที่เรามักจะทําเสมอนะครับซึ่งเป็นนิสัยบาปครับนั่นแหละครับเรากําลังตกอยู่ภายใต้การครอบงาจิตใจนะครับและพฤติกรรมของเราความคิดของเราโดยมารสาตานั่นเองพี่นะครับเดี๋ยวนี้นะครับสาตานั้นได้ส่งอิทธิพลนะครับเข้าไปในเรื่องราวต่างๆที่อยู่รอบตัวเราครับในสิ่งแวดล้อมของเราเยอะแยะมากมายครับยกตัวอย่างเช่นมันส่งมันส่งอิทธิพลไปถึงนักโฆษณานะครับ ทำให้เกิดการโฆษณาทำให้เกิดการส่งเสริมอุอปนิสัยบาปนานะครับหรือแม้กระทั่งนักผลิตรายการโทรทัศน์นะภาพยนตร์ที่ใส่ความรุนแรงความสัมพสอนทางเพศนะครับตลอดจนคนที่ปลูกขายหรือส่งเสริมยาเสพติดนะครับมาร์าตาเน้นได้ใช้บุคคลต่างๆยั่วยุและส่งเสริมสิ่งที่ทำลายชีวิตครับเพราะว่าเป้าหมายของมันมาเพื่อที่จะลักรอลิงนะครับฆ่าให้ตาย แล้วก็รักฆ่าและทำลายครับทาลายเลยครับทำลายชีวิตมนุษย์ครับทำลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนระหว่างบุคคลและทำลายชีวิตสมรสให้หย่าร้างกันและทำลายครอบครัวทั้งหมดนี่คือเป้าหมายของมารซาตานนั่นเองเราจะต้องรู้กลลละอุบายของมันนะครับเราต้องรู้ว่าพระเยซูทรงห่วงใยเราทรงทรงรักษาเราได้นะครับเมื่อเราเจ็บป่วยทางด้านฝ่ายวิญญาณ เมื่อเราอยู่ภายใต้การครอบครองของมารซาตานนะครับแทนที่จะเป็นพระเจ้าสภาพร่างกายของเราก็พลอยกระทบกระเทือนไปด้วยเราอาจจะน้อยไม่หลับนะครับเพราะกังวลกับความรู้สึกผิดเรื่องหนี้สินหรือผลกระทบทางด้านต่างๆเร า, าอาจจะเบื่ออาหารนะครับปวดท้องนะเพราะสาเหตุเดียวกันที่น้องครับเปเยซูทรงห่วงใยเราห่วงใยท่านห่วงใยคนที่เจ็บป่วยเหมือนกับท่านเหมือนกับ ในสมัยของพระองค์นะบ่อยลานี้นะครับและปัจจุบันนะครับเรามีอะไรหลายอย่างที่มีมากมายนะครับซึ่งชาวปาเลสไตน์ในสมัยนั้นไม่มีและในขณะเดียวกันนะครับความก้าวหน้าทางด้านวิทาการเหล่านี้หรือนวัตรกรรมเหล่านี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเรานะครับผ่านทางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีผ่านทางความก้าวหน้าของนวัตรกรรมผ่าน ทางความก้าวหน้าของอริยธรรมได้เพราะฉะนั้นโปร่งทร ง, งดูแลนะครับเหมือนกันเช่นเดียวกันกันกบที่โรงทรงดูแลโลกโปร่งทรงสร้างโลกขึ้นมาโปร่งทร ง, งเป็นบอกเกิดแห่งความรู้ทั้งหลายที่เราสามารถจะพึ่งพาพระองค์ได้เพราะฉะนั้นเรานะครับต้องทราบว่าพระเยซู ก, ก็ยังคงรักษาโลกอยู่ในทุกวันนี้อย่างอัศจรรย์อย่างครับเราเองอาจจะเคยรู้จักนะครับกับบางคนที่ผ่านเรื่องนี้มา พระเจ้าช่วยแล้วนะครับให้เราเข้าใจว่าการที่พระเจ้ารักษานั่นก็คือพระพรของพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันครับการที่พระเจ้าไม่รักษานะครับก็ไม่ได้หมายความว่าพรงไม่รักเขาถูกไหมครับพรงไม่รักเขาหรือเปล่าไม่ใช่ครับพระเจ้าจงมีเหตุผลในการที่จะไม่ตอบคําอธิษฐานทูลขอในการเรื่องของการรักษาโลกนะครับเราจะรู้เหตุผลก็ต่อเมื่อเราไปทูลถามพรงในสวรรค์ครับ และในครั้งเราอาจจะไม่รู้เหตุผลครับว่าทำไมเขาจะต้องตายเขาจะต้องจากาไปก่อนนะครับแต่ขอพระเจ้าได้ช่วยเราให้เรามีความไว้วางใจครับขอพระเจ้าทรงนำพี่น้องในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันใหม่อาเมน